บทที่13นักดนตรีในโลกทิพย์ท่านช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับโรเยอร์ขอร้องว่าการที่ท่านกล่าวว่าบางคนมาพักอยู่ในภูมินี้เพียงชั่วคราวนั้นหมายความว่าอะไรได้สิโรเยอร์ไม่มีเรื่องเป็นความลับอะไรดอกคือฉันหมายความว่าในบางกรณีมีบุคคลบางคนอยู่ในภูมินี้ ทั้งทงที่ความจริงท่านมีจิตใจสูงกว่าภูมินี้และสามารถจะอยู่ในภูมิอื่นที่สูงกว่านี้ได้ด้วยถ้าเช่นนั้นทําไมท่านเหล่านั้นจึงยังคงอยู่ที่นี่หรอครับเรื่องนี้เป็นเพราะท่านมีเหตุผลส่วนตัวต่างๆกันโรเยอร์บางท่านก็มีเหตุผลเป็นการส่วนตัวจริงๆเช่นเป็นเรื่องของความผูกพันทางใจระหว่างบุคคลสองคนคือ เช่นมีบุคคลสองคนที่รักกันมากแต่บังเอิญอยู่ในภูมิห่างกันมากเพราะว่าระดับความประณีตของจิตใจต่างกันมากในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ที่อยู่ในภูมิที่สูงกว่ายังตัดความอาลัยไม่ได้ก็จำต้องอยู่รออยู่ในภูมิที่ต่ำกว่าภูมิของตัวไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่ผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำ จะได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นมาทันกันต่อจากนั้นทั้งสองก็จะได้ครองชีวิตอยู่ด้วยกันและเลื่อนภูมิจเจริญขึ้นไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องจากกันอีกต่อไปนี่เป็นตัวอย่างประการหนึ่งแต่ยังมีประเภทอื่นอีกประเภทหลังนี้รู้สึกว่าจะมีมากกว่าคือบุคคลบางคนมักเพลิดเพลินในการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ ท่านเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะสามารถเลื่อนขึ้นไปอยู่ภูมิสูงกว่านี้ก็ยังสมัครใจจะอยู่ในภูมินี้ต่อไปเรเดียนชวิงเป็นตัวอย่างคนหนึ่งในเรื่องนี้ท่านเหล่านี้ยอมอยู่ภูมิที่ต่ำลงมาก็เพราะเพื่อช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์นั่นเองอันที่จริงการที่ท่านอยู่ในภูมินี้ก็เป็นเพียงการอยู่เพื่อทํางานเท่านั้นดังนั้น บางครั้งบางคราวท่านก็เดินทางไปอยู่ภูมิสูงอันเป็นภูมิของท่านโดยแท้จริงบ้างเหมือนกันบุคคลประเภทนี้เราเรียกได้ว่าเป็นผู้มีสองชีวิตก็ได้ท่านพูดไม่น่าฟังเลยรุดเอ่ยขึ้นฟังดูรู้สึกคล้ายกับว่าท่านเป็นคนลวงโลกฉะนั้นแต่อันที่จริงมนุษย์ทุกคนก็มีสองชีวิตเหมือนกัน เวลาตื่นเขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แต่พอเวลาหลับบางครั้งเขาก็มามีชีวิตอยู่ในโลกทิปได้ญาติมิตรและเพื่อนฝูงเก่าๆ ก, ก็มาพบกันแบบนี้บ่อยๆในขณะนี้เราเดินมาถึงบริเวณซึ่งมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและต่อมาอีกครู่หนึ่งก็เข้าสู่เขตป่าสนอันรื่นรมในที่สุดก็มาถึงบริเวณที่ร่งแห่งหนึ่ง มีบ้านที่น่าอยู่อย่างยิ่งตั้งอยู่ตรงกลางและมีดอกไม้สีสันวันหน้าต่างๆอยู่โดยรอบอย่างไรก็ตามรู้สึกว่าบ้านหลังนี้แม้คล้ายๆกับจะตั้งอยู่ในป่าก็ตามแต่ภูวิประเทศโดยรอบก็มีมีความรกรุงรังอยู่เลยเมื่อมองจากภายนอกรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสมควรใกการพักผ่อนอย่างยิ่ง แต่ในที่นี้ก็ขอให้ท่านเข้าใจไว้ด้วยว่าเป็นเพียงคำพูดเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะอันที่จริงแล้วในโลกทริปนี้หากท่านต้องการจะพักผ่อนก็สามารถทำได้เสมอแม้ว่าจะอยู่ในกลางเมืองใหญ่ก็ตามรูดกับข้าพเจ้าเคยมาที่บ้านนี้หลายครั้งแล้วส่วนโรเยอร์เพิ่งมาเป็นครั้งแรกขณะที่เราไปถึง ท่านเจ้าของบ้านได้ออกมายืนต้อนรับอยู่ที่ประตูแล้วมากันพอดีทีเดียวคุณรุตและท่านมองสินเยอะผมกำลังมีอะไรจะอวดคุณทั้งสองสักหน่อยเราได้แนะนำให้โรเยอร์รู้จักกับท่านเจ้าของบ้านและได้แจ้งความประสงค์ของเราให้ท่านทราบหลังจากนั้นท่านก็นำเราทั้งสามเข้าไปในบ้านของท่าน เธอเรียกท่านผู้นี้ว่าปีเตอร์เอลยิชก็แล้วกันข้าพเจ้ากระซิบกับโรเยอร์ภายในบ้านของท่านมีห้องกว้างขวางห้องหนึ่งซึ่งเป็นทั้งห้องนั่งเล่นและทั้งห้องทำงานไปในตัวใกล้ๆกับหน้าตา่างมีโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งบนโต๊ะมีแผ่นกระดาษเขียนโน้ตเพลงอยู่มากด้วยกันที่มุมห้องมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ โรเยอร์ er ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับชายผู้นี้ซึ่งมีชื่อว่าฟรานซ์โยเซฟสิ่งที่น่าสนใจของโรเยอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือสหายของฟรานซ์ซึ่งก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นเสือปูม่าและนกน้น้อยซึ่งเราได้เคยพบมาแล้วในบ้านของเรเดียนทวิงนั่นเองคงจะรู้จักกันมาก่อนแล้วกระมังพีเตอร์อิลยิกล่าวขึ้นเมื่อเห็นนกน้อยบินไปหา และเกาะที่มือของโรเยอ์ในทันทีที่เห็นกันเราได้ถามเจ้าของบ้านว่าเหตุใดเสือและนกตัวนั้นจึงได้มาอยู่ที่นี่ด้วยได้ไม่มีอะไรดอกเธอท่านเจ้าของบ้านตอบคือว่าวันหนึ่งฉันบังเอิญผ่านไปเห็นเขาทั้งสองตัวนี้กำลังเล่นสนุกสนานกระโดดโลดเต้นกันอยู่และในทันทีทันใดฉันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า จะต้องแต่งเพลงเรียนท่วงทํานองการกระโดดโลดเต้นของมันสักเพลงหนึ่งฉันจึงของยืมมันมาจากเรเดียนทวิงซึ่งเขาก็อนุญาตให้โดยไม่มีจํากัดเวลาฉันจึงเอามันมาอยู่ใกล้ๆเพื่อให้มันกระโดดโลดเต้นให้ดูจะได้เกิดความคิดหาท่วงทํานองของเพลงให้ได้เหมาะสมจริงที่สําคัญคือการกระโดดโลดเต้นของมันไม่ซ้ําแบบกันเลย จึงทำให้ฉันได้แนวความคิดใหม่ๆเจ้าสองตัวนี้มันซนเหลือเกินเพราะไม่มีเวลาอยู่นิ่งสเสลยแล้วนี่พวกผมมาขัดจังหวะความสงบของคุณหรือเปล่าครับเปล่าเลยเธอท่านจะของบ้านตอบที่ฉันกล่าวว่าฉันมีอะไรบางอย่างสำหรับรูดนั้นก็คือฉันหมายถึงบทเพลงนี้นั่นเองความจริงฉันได้ทาโน้ตทางเปียโนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังทำโน้ตสำหรับวงดนตรีทั้งวงอยู่ซึ่งฉันคิดว่ามันคงจะน่าฟังเหมือนกันไงโรเยอร์เธอรู้สึกสนใจในเรื่องนี้ไหมโรเยอร์สนใจเหมือนกันหละค่ะรู้ตอบดิฉันเล่นเพลงแบบเซอร์โซที่ท่านแต่งให้เขาฟังเขาชอบมากทีเดียวดิฉันเลยพาเข้ามาหาท่านโดยที่เขาไม่ได้รู้มาก่อนว่าท่านเป็นใคร ขณะ น, นี้โรเยอร์กําลังยืนจ้องดูรูปปั้นเครื่องตัวรูปหนึ่งอย่างตั้งอกตั้งใจรูปปั้นนี้เป็นรูปชายกลางคนมีหนดวดเคราซึ่งครีบไว้อย่างเรียบร้อยช้าช้านา น, านๆเขาก็เหลียวมาจ้องดูปีเตอร์เสีทีหนึ่งปีเตอร์รู้สึกขบขันเมื่อเห็นกริยาท่าทางของโรเยอร์เธอกําลังจะเปรียบเทียบใช่ไหมว่ารูปปั้นนั้นกับฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างใดบ้าง ความจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่ารูปนั้นเป็นรูปของฉันเองเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ที่ฉันเก็บรูปนี้ไว้ก็ไม่ใช่เพราะต้องการจะอวดตัวดอกแต่เพราะเห็นว่าฝีมือเขาดีมากรูปนี้บุคคลผู้หนึ่งที่รู้จักฉันดีได้ปั้นขึ้นไว้เธอคิดว่าตัวจริงดีขึ้นกว่ารูปไหมโรเยอร์ er? เอเรื่องนี้ตอบยากมากครับ ถ้าผมตอบว่าดีขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ควรเพราะจะหมายความว่าตอนนั้นยังไม่ดีเหมือนตอนนี้แต่ถ้าผมตอบว่าไม่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องลำบากอีกนั่นแหละครับทุกคนในห้องนั้นหัวเราะขึ้นพร้อมกันสิ่งที่เราความสนใจของโรเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นในห้องนี้เป็นจำนวนมากด้วยกันท่านเจ้าของบ้านได้ตอบว่า สิ่งเหล่านั้นคือผลงานทางดนตรีของท่านนั่นเองโรเยอร์ได้แสดงความอศัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นผลงานเป็นจำนวนมากมายถึงขนาดนั้นไม่ประหลาดอะไรดอกโรเยอร์ฟีเตอร์อธิบายเพราะว่าฉันได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลานา น, านมาแล้วและตลอดเวลานี้ฉันไม่เคยปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เลยฉันยังอดนึกขำไม่ได้ เมื่อได้ยินเขาประกาศกันในโลกมนุษย์ว่าผลงานทางดนตรีชินนารนุชินนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของฉันอันที่จริงฉันเข้าใจดีว่าเข้าหมายความถึงอะไรแต่สำหรับพวกเราที่นี่ฟังดูแล้วก็อดนึกขำไม่ได้อยู่เองในเมื่อมองมาที่ฉันในห้องนี้ก็จะเห็นผลงานในระยะหลังของฉันอีกเป็นจานวนมากมายวางซ้อนกันอยู่เต็มชั้นไปหมด ชาวโลกมนุษย์เขาเข้าใจเช่นนั้นจริงๆฟรานซ์โยเซฟกล่าวขึ้นและเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เราเขาคิดว่าเราคงหมดหน้าที่การงานแล้วลองเล่นเพลงที่เพิ่งแต่งเสร็จสิปีเตอร์ฟรานซ์โยเซฟเสนอความเห็นฉันอยากจะฟังสักหน่อยปีเตอร์ลุกขึ้นไปที่แกรนเปียโ น, โนและลงมือเล่นตามโน้ตที่เขียนไว้ ข้าพเจ้าจะไม่พยายามบรรยายความไพเราะของเพลงให้ท่านฟังเพราะว่าการกระทําเช่นนั้นย่อมไมีผลอย่างใดภาษามนุษย์ยังไม่กว้างขวางและแจ่มชัดพอที่จะบรรยายความไพเราะของเพลงให้ผู้อื่นเข้าใจได้เท่าที่พอจะกล่าวได้ก็มีเพียงว่าท่วงทํานองของเพลงนั้นเป็นการล้อและเลียนอารมณ์สนุกของสัตว์ที่ร่าเริงทั้งสองตัวได้อย่างแจ่มชัดมาก ผู้ที่ฟังเพลงจะพลอยนึกถึงการกระโดดโลดเต้นและคืกขนองของมันพร้อมกับรู้สึกสนุกตามไปด้วยจริงๆท่วงทำนองนั้นมีทั้งช้าสลับกับเร็วเลี้ยวไปหลายมามีทั้งท่อนขัดต่อล้อเฉียวผสมกับทางหวานพลิ้วไปมาโดยตลอดยากเหลือเกินที่ผู้ที่มีรสนิยมในทางดนตรีอยู่บ้างจะอดใจไว้ ไม่ให้รู้สึกคลึกครื้นเรื่นเริงตามไปได้ในเมื่อได้ยินเสียงและท่วงทำนองของเพลงนี้ในที่สุดเพลงก็จบลงพวกเราทุกคนต่างถอนหายใจขึ้นพร้อมกันด้วยความเสียดายและได้แสดงความยินดีและสรรเสริญท่านผู้แต่งด้วยความจริงใจโดยทั่วกันสำหรับโน้ตของวงดนตรีทั้งวงละคะรู้ถามเราจะสามารถฟังได้เมื่อไหร่ เห็นจะไม่ช้านักหรอกครับเอาไว้เสร็จแล้วผมจะบอกคุณเองในขณะนี้โรเยอร์กำลังยืนพิจารณาผลงานทางดนตรีที่ปีเตอร์เขียนไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์และหลังจากที่เปรียบเทียบกันดูแล้วจะเห็นได้ชัดว่าผลงานที่ปีเตอร์ทำขึ้นหลังจากที่เขาเข้ามาในโลกทิพย์แล้วนั้น มีมากกว่าส่วนที่ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์มากทีเดียวเรื่องนี้เป็นธรรมดาเช่นนั้นเองปีเตอร์อธิบายทุกคนที่นี่ก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งนั้นฟรานซ์โยเซฟเองก็แต่งเติมไว้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันโอปุสคือเลขอันดับที่ของเพลงที่แต่งขึ้นถึงจำนวนพันแล้วนะคิดดูเถอะโรเยอร์ ถ้าเราไม่มีความจำอย่างดีเลือดแล้วก็น่ากลัวจงงกันแย่ทีเดียวการแต่งเพลงที่นี่ง่ายกว่าในโลกมนุษย์มากไหมครับโรเยอร์ถามแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเธอคิดดูกันแล้วกันว่าเรามีอิสระเสรีมากกว่าในโลกมนุษย์เพียงใดข้อแรกก็คือเรื่องการหากินหรือกล่าวให้ตรงไปตรงมาก็คือ ที่นี่เราไม่ต้องกลัวอดตายอีกแล้วการหมดอุปสรรคข้อนี้ทำให้หมดกังวลไปได้มากเหลือเกินนอกจากนั้นก็ได้แก่ความเดน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของร่างกายซึ่งก็เป็นอันตัดกังวลไปได้อีกอย่างหนึ่งเสียงวิพากวิจาร์ในทางไม่เป็นมงคลจากประชาชนนั่นก็เป็นอันไม่มีเหมือนกันการแต่งเพลงออกมาแล้วไม่มีทางเสนอให้ประชาชนได้เห็นผลงาน นี่ก็ไม่ต้องวิตกอีกสถานที่อยู่อาศัยอันให้ความสงบสุขเราก็มีอยู่ไม่ขาดแคลนเธอดูเธอโรเยอร์มีสิ่งใดบ้างที่เป็นอุปสรรคแก่การงานของเราดังเช่นโลกมนุษย์นักวิจารณ์เพลงอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันฟรานซ์โยเซฟพูดพร้อมกับฮัวราะอฮื อ, อความจริงสาหรับฉันเองก็ไม่เคยได้ถูกวิจารณ์นักดอก เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ที่พูดเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าบทเพลงของฉันดีวิเศษจนไม่มีใครติได้หรอกนะความจริงก็คือว่าฉันบังเอิญเกิดอยู่ในสมัยที่ไม่มีผู้วิเศษอวดตัวว่าตรัสรู้หมดทุกอย่างในเรื่องเพลงหรือดนตรีที่คนอื่นแต่งซึ่งในสมัยนี้มีอยู่เป็นอันมากในโลกมนุษย์ ประเทศของเธอกรุณาต่อชั้นมากทั้งในสมัยก่อนและปัจจุบันและกับชั้นด้วยปีเตอร์กล่าวต่อถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะว่าชั้นเป็นผู้ตายแล้วก็ตามนี่สมมติว่าถ้าเราสามารถแสดงตัวให้เขาเห็นได้แล้วก็หอบบทเพลงที่เราแต่งไว้ในภายหลังเหล่านี้ไปให้เขาดูแล้วก็บรรเลงให้เขาฟังดูน่ากลัวจะเกิดกลาหนกันใหญ่ทีเดียว และก็กลัวว่าเราคงจะรวยกันใหญ่อีกด้วยหรือไม่ถ้าเกิดมีคนไหนมาอาศัยหากินกับเราได้ก็คงจะรวยใหญ่อีกเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผู้ที่จะรวยใหญ่คงจะเป็นผู้อื่นเสียมากกว่าพวกเราฟลานซ์ออกความเห็นทีนี้เจ้าพวกนักวิพากษ์วิจาร์เพลงก็คงจะมีอาชีพทำกันอีกเขาคงจะเอาบทเพลงของเราไปตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย นำไปเข้ากล้องจุลทรรศน์ขยายดูอย่างละเอียดแล้วก็ออกความเห็นอย่างผู้คงแก่เรียนว่าตอนนั้นดีตอนนี้ไม่ค่อยดีควรจะแก้ไขสมัยอย่างโน้นอย่างนี้และเขาก็จะโมเมเอาเองอย่างสง่าผ่าเผยว่าตอนที่พวกเราแต่งบทเพลงนั้นๆพวกเราได้รับการบรรดาลใจจากอะไรบ้างข้อสําคัญก็คือ ที่เขาพูดออกไปนั้นจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจนักดอกและโดยเฉพาะตัวของเขาเองก็ดูเหมือนจะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่เขาทั้งหมดคือทั้งผู้พูดและผู้ฟังซึ่งต่างก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนั้นก็จะพออกพอใจคิดเอาเองว่าตนช่างเป็นผู้ฉลาดเสียลเกินนี่แหละเรื่องทั้งหมดเหล่านี้คิดคิดไปแล้วก็ดูไม่ใช่เรื่องที่น่าขบขันเลย ฉันว่าเราอยู่กันที่นี่สบายกว่ามากไม่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอดตายและไม่ต้องกลัวว่าแต่งออกไปแล้วจะไม่มีคนฟังเราอยากจะให้ใครฟังเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องขอ ง, ง้อพวกนายทุนซึ่งพยายามรีดไถคอยหากินบนมันสมองของพวกเรานอกจากนั้นที่นี่เราสามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุข และสามาัคคีระหว่างเพื่อนนักประพันธ์เพลงด้วยกันและข้อที่สะดวกมากก็คือเราสามารถจะให้คาตักเตือนกันอย่างแรงๆก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโกรธเคืองเพราะเราต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครหวังร้ายหรือฉาริษยากันเลยน่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันรู้สึกว่าไม่มีนักประพันธ์เพลงคนไหนที่เชี่ยวชาญจริงๆเลย ไม่มีบ้างเลยทีเดียวหรือฟรานส์ถามหลายปีมาแล้วนะที่ยังไม่มีใครมาอยู่ร่วมกับเราที่นี่เลยพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ครับข้าพเจ้ากล่าวขึ้นผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ยังมองไม่เห็นมีนักแต่งเพลงที่ถึงขั้นเชี่ยวชาญหรือมาสเตอร์คอมเพเซอร์จริงๆเลยผมชอบพูดอะไรอย่างไม่อ้อมค้อม แม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยไพเราะนักและที่ผมพูดเช่นนั้นก็ได้ไตรตรองดูแล้วอย่างถีถ่วนนักแต่งเพลงที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีไม่ถึงขั้นพิสูจน์ได้คือนักแต่งเพลงเหล่านี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็เห็นข้อเท็จจริงและก็ไม่ยอมนำบทเพลงของตนมาบารรเลงที่นี่เลยผมอาจกล่าวได้ว่ายังมีนักแต่งเพลงอีกมาก เมื่อมาที่นี่แล้วก็คงจะต้องทำอย่างเดียวกันเธอคงรู้แล้วใช่ไหมว่าในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้เขาพูดกันว่าการโดนใจข้งมนุษย์ในเรื่องศาสนาหรือสปิริตช่วงรีเวเลชั่นได้ยุติลงแล้วโดยสิ้นเชิงผมอาจจะกล่าวเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งก็ได้คือว่าการแต่งเพลงอย่างบริสุทธิ์ก็ได้ยุติลงแล้วอย่างสิ้นเชิงเหมือนกัน ถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือท่านมองซินเยอร์ปีเตอร์ถามแน่นอนครับข้าพเจ้าตอบผมไม่ได้กล่าวเกินความจริงไปเลยรูธจะเป็นพยานของผมในเรื่องนี้ได้ซึ่งเธอเคยได้ยินเพลงของชาวโลกมนุษย์มาแล้วไงโรเยอร์เธอเคยได้ยินเพลงสมัยใหม่แล้วไม่ใช่หรือเคยครับโรเยอร์ตอบแต่ผมฟังไม่ได้นาน รู้สึกว่าทนฟังไม่ไหวจริงๆผมเคยได้ยินข่าวแววแวๆมาบ้างเหมือนกันปีเตอร์กล่าวแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นอ้อและพวกนักวิจารณ์เขาว่าอย่างไรกันบ้างหรอครับเขาก็เชียร์กันยกใหญ่ว่าเป็นผลงานของอาเชริยะมนุษย์นอกจากนั้นเขาก็ยังพยายามปร้ำผีลุกปลุกผีนั่งหรือแบมบูซี ให้ประชาชนเห็นคล้อยตามไปด้วยว่างานดนตรีชิ้นนั้นๆแสนจะวิเศษนักหนาทั้งๆ ท, ที่ผมคิดว่าต่อให้เอาไฟฉายเครื่องบินและกล้องจุลทรัศน์มาส่องแล้วส่องอีกก็จะไม่เห็นว่ามันจะเป็นงานดีเด่นไปได้สักแค่ไหนแม้ในเรื่องศิลปะก็เช่นเดียวกันแหละครับคุณคงจะไม่รู้ดอกว่าเขายอมแมวขาย เอารูปภาพสัพปรังเคมาแสดงในงานศิละปะแล้วซื้อขายกันด้วยราคาแพงลิบริวทีเดียวผมอยากจะกล่าวว่ารูปภาพเหล่านี้ควรจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้โดยเฉพาะในเวลาฝันร้ายเท่านั้นดูแล้วรู้สึกทุเรศอย่างที่สุดเอ๊ะแล้วท่านพอจะทราบไหมครับว่าทำไมเขาจึงมีความเห็นเป็นเช่นนั้นกันไปได้ เห็นจะเป็นด้วยเหตุสองประการคือถ้าไม่ใช่ความพิการทางจิตก็คงเป็นเรื่องการหลอกลวงต้มประชาชนกันอย่างขนานใหญ่โดยทำให้เป็นเรื่องสู้ซ่าขึ้นมาแล้วก็ชักจูงใจคนขี้ตื่นให้หลงและเห็นคล้อยไปตามด้วยเหตุนี้แล้วจะเห็นงานดนตรีและงานศิลปกรรมภาพเขียนเชินสวะที่น่าขยาขยง ได้รับคำหลอกลวงว่าเป็นงานชิ้นเยี่ยมของอาชริยะมนุษย์นี่แหละคือสภาพความเป็นไปของโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้เขานิยมชมชอ บ, ชอบกันแต่ในงานที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงงานศิลปะของโลกมนุษย์เวลานี้มียาพิษเจือปนอยู่เต็มไปหมดทั้งนั้นโอ้โหตายจริงฟรานซ์อุทาน ผมดีใจที่ตายแล้วหลุดพ้นมาเสียได้และก็คิดว่าคงไม่มีใครในพวกเราเสียได้ว่าได้ตายเร็วเกินไปเป็นแน่เรารู้สึกขบขันในถ้อยคำของฟลานซ์โยเซฟโดยทั่วกันและก็เห็นจริงตามนั้นเพราะท่านทั้งสองได้จา ก, กมนุษย์มาเป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดมีการเจอยาพิษลงในงานศิลปะของมนุษย์ โรเยอร์กล่าวชมผลงานอันมากมายที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นของปีเตอร์ด้วยความสนใจขอให้ผมดูสักชิ้นหนึ่งได้ไหมครับตามสบายเถอะเธอที่นี่ไม่มีพิธีรีตองอะไรหรอกผมทราบแล้วครับแต่รู้สึกว่ายังอดคิดแบบเดิมของโลกมนุษย์ไม่ได้ให้เป็นไรหรอกโรเยอร์อยู่ไปก็เคยชินไปเอง ผมรู้สึกเกรงใจเหลือเกินครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่เห็นทุกคนดีต่อผมมากโดยเฉพาะท่านมองซินเยอร์กับคุณรูธก็ต้องเสียเวลาเพราะผมไปมากในการนำผมเที่ยวไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยไม่ใช่เสียเวลาหรอกโรเยอร์ปีเตอร์กล่าวที่นี่ไม่มีใครกลัวเสียเวลาหรอกเพราะไม่มีเวลาที่จะเสียเอ แต่ที่ผมพูดนี้ฟังดูก็ชอก็อกกวนนะคนไม่รู้อาจจะคิดไปได้หลายอย่างเหมือนกันฉันจะทำอะไรให้เธอรู้สึกสักหน่อยหนึ่งโรเยอร์ข้าพเจ้าพูดขึ้นพร้อมกับหยิบงานดนตรีของปีเตอร์ชิ้นหนึ่งลงมาจากชั้นเธออ่านโน้ตเพลงเป็นไหมโรเยอร์ไม่ค่อยเป็นครับถ้างั้นเธอลองฟังเพลงนี้แล้วนึกดูสิว่า พอจะจําได้ไหมว่าใครแต่งข้าพเจ้าเปิดหนังสือเพลงขึ้นมาหน้าหนึ่งห้ามเพลงบทหนึ่งเบาๆเป็นเพลงซึ่งรู้จักกันดีในโลกมนุษย์ตายจริงโรเยอร์อุทานนั่นเป็นบทเพลงของหนังสือเล่มนั้นหรือครับใช่แล้วข้าพเจ้าตอบพร้อมกับชี้ให้โรเยอร์ดูชื่อผู้แต่งซึ่งมีบอกอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเล่มนั้น พอเห็นชื่อของผู้แต่งโรเยอร์ถึงกับตกตะลึงด้วยไม่คิดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นไงเธอคงไม่ได้คิดฝันไม่ใช่หรือว่าจะได้มาพบบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงก้องโลกในทางดนตรีในโลกมาดวลมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือปีเตอร์นั่นเองเอแต่ว่าตอนนี้เราเห็นจะต้องกลับไปก่อนเสียแล้ว เพราะรู้สึกว่าจะมีใครมาคอยพบเราอยู่ที่บ้านในขณะนี้เราได้อำลาปีเตอร์และฟลานซ์กลับซึ่งทั้งสองท่านก็สัญญาว่าเมื่อได้ทำโน้ตเพลงนั้นสำหรับวงดนตรีทั้งวงเสร็จแล้วก็จะส่งข่าวไปให้เราทราบทันทีเพื่อเราจะได้ไปฟังและดูดนตรีด้วยกันโดยพร้อมเพลงในระหว่างการเดินทางกลับผ่านป่าใหญ่อันเขียวชวอุ่มมา โรเยอร์ er, แสดงความปีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนทนากับนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงก้องโลกทั้งสองโดยใกล้ชิดและอย่างเป็นกันเองชนิดที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองแต่อย่างใดซึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถทำได้เลยในโลกมนุษย์ฟลานส์โยเซฟก็มีชื่อเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะโรเยอร์ er, เขาไปเจ้ากล่าวเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ เขาได้เขียนซิมโฟนีไว้ตั้งร้อยกว่าชิ้นทีเดียวบทที่สิบสีวิธีการเยียบเยยนในโลกทิพย์ผมสังเกตดูไม่เห็นว่าจะมีใครใช้นามสกุลกันเลยครับโรเยอร์ปราลบขึ้นผมไม่รู้ว่าท่านและคุณรูธมีนามสกุลว่าอะไรเราได้กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากที่ได้อำลาปีเตอร์และฟรานซ์มา และการสนทนาของเราเริ่มจากเรื่องโน้นมาสู่เรื่องนี้ตามลำดับเป็นความจริงดังนั้นโรเยอร์ข้าพเจ้าตอบที่นี่เรื่องนามสกุลไม่มีความสำคัญอย่างใดเลยจริงอยู่สำหรับผู้มาใหม่อาจมีข้อยกเว้นบ้างเพราะไม่ได้มีกฎหรือข้อบังคับไว้ตายตัวในเรื่องนี้ข้อสำคัญก็คือเราต้องการรู้จักตัวบุคคลผู้นั้นโดยตรง ไม่ใช่รู้จักนามสกุลของเขาอันที่จริงที่นี่มีชื่ออีกประเภทหนึ่งเป็นชื่อของโลกทิพย์โดยเฉพาะแต่ละชื่อมีความหมายเป็นภาษาในตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาของโลกมนุษย์ชื่อชนิดนี้บุคคลผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ตั้งเองแต่เป็นชื่อที่มีผู้ใหญ่ตั้งให้โดยถือหลักเกณฑ์แห่งคุณวุฒิและความสามารถเป็นใหญ่ไม่ใช่จะคิดตั้งเอาเองเหมือนในโลกมนุษย์ สำหรับชื่อของฉันนั้นอันที่จริงก็ไม่ใช่ชื่อโดยตรงจะเป็นการเรียกโดยตำแหน่งเสียมากกว่าคือเป็นตำแหน่งของฝ่ายสงในทางโลกมนุษย์ที่ฉันควรได้รับอยู่เธออาจจะสงสัยว่าฉันเคยพูดว่าที่นี่ไม่มีการถือยศศักก์กันแล้วเหตุใดจึงยังมีตำแหน่งอยู่อีกเรื่องนี้ขอย้ำว่าไม่ได้เป็นการถือยศศักก์แต่อย่างใด เป็นเรื่องของความสมัครใจของเพื่อนฝูงเช่นนั้นเองเขาต้องการเรียกชั้นเช่นนั้นเพราะเขาคิดว่ามันสะดวกดีเขาก็เลยเรียกเฉพาะตำแหน่งโดยไม่ได้จำชื่อตกลงตำแหน่งของฉัน้นก็ได้กลายเป็นชื่อโดยพฤตินัยชั้นเองหรือผู้อื่นที่เรียกชั้นด้วยตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องยศศักดิ์แต่อย่างใดแม้เธอเองชั้นก็ไม่ต้องการรู้นามสกุลเหมือนกัน ฟลานส์โยเซฟกับ p ีเตอร์อ i ล h ยก็เหมือนกันหรือครับเหมือนกันนั่นแหละเราตัดนามสกุลเขาๆออกไปเลยและเขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการเสียหายอย่างใดอันที่จริงในที่นี้ไม่มีผู้ใดบ่นถึงเรื่องนี้กันหรอกเพราะทุกคนก็มีความสุขสบายดีการที่จะมีนามสกุลหรือไม่ก็ไม่แปลกอะไรเธอยังจำได้ไหมโรเยอร์ เมื่อตอนที่ฉันเล่าให้เธอฟังถึงเรื่องอายุของบุคคลในโลกทิพนี้คือเมื่อเราอยู่นานไปเราก็จะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวยิ่งขึ้นจนในที่สุดรูปร่างลักษณะเดิมของผู้นั้นก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากจนกระทั่งเกือบจะจำไม่ได้ว่าเป็นคนเดิมในเรื่องชื่อก็เหมือนกันเมื่อบุคคลอยู่นานไปชื่อของเขาก็ไม่คยจะมีความหมายอย่างใดนักในบางคราว เมื่อท่านผู้ อ, อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปและลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อทำธุระของท่านบางอย่างท่านก็ใช้ชื่อที่รู้กันดีสำหรับเป็นที่หมายรู้กันแทนตัวท่านปีเตอร์และฟรานซ์ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้เหมือนกันเธอได้ยินชันย้ำกับเขาแล้วเนื่องจากเมื่อกี้นี้มีผู้ต้องการพบฉันที่บ้านได้ยินแล้วครับ ผมคิดว่าท่านคงหาเหตุที่จะลาเจ้าของบ้านเพราะความเกรงใจซะมากกว่านั่นแน่โรเยอร์เธอนึกว่าเราพูดบทละซีไม่ได้การละชาวโลกมนุษย์จะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาคิดว่าเรายังต้องพูดบทกันอยู่อีกถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดบทเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้หลอกลวงใครก็ตามเราไม่มีความจำเป็นจะต้องทาเช่นนั้นดอกโรเยอร์ข้าพเจ้ากล่าว ถ้าเช่นนั้นเราทําอย่างไรครับเวลาเราไปบ้านใครแล้วต้องการจะลากลับเพราะเราเกิดเบื่อที่จะอยู่นานเกินไปหรือเพราะเกรงใจเจ้าของบ้านเอฉันรู้สึกว่าความเกรงใจเช่นนั้นก็ยังไม่เคยบังเกิดมีเลยนะโรเยอร์ Roger. เราไม่ต้องกลัวว่าเจ้าของบ้านเขาจะรําคาญที่เราอยู่นานเกินไปหรอกที่ฉันบอกฟลานส์ France และปีเตอร์ว่ามีใครมาหานั้น ก็เพราะว่าฉันรู้จริงๆว่ากำลังมีผู้ต้องการพบอันที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องด่วนหรอกเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็คงจะมัวโอเออยู่ไม่ได้ผู้ที่ต้องการพบฉันก็คือท่านผู้หนึ่งซึ่งมีธุระติดต่อกับโลกมนุษย์เป็นครั้งคราวและที่เขาต้องการพบก็เพื่อเยี่ยมเยียนมากกว่าที่จะมีธุระด่วนหากบางครั้ง เราได้รับทราบข่าวเช่นนั้นในขณะที่กำลังทำงานสำคัญอยู่เช่นกำลังจะไปรับวิญญาณของใครอยู่เราก็บอกเขาไปได้เลยว่ายังไม่ว่างแล้วก็ไม่ต้องเกรงว่าเขาผู้นั้นจะโกรธไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สักเพียงใดที่นี่เราอยู่กันและทำงานกันอยู่ยังมีเหตุผลทั้งนั้นโรเยอร์น่าเสียดายที่ในโลกมาดุสไม่ได้เป็นอย่างนี้ โรเยอร์บ่นพืมพำมผู้ที่จะมาหาเรานี้เป็นผู้มาจากภูมิสูงท่านเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งทีเดียวแต่ท่านไม่ได้ใช้ชื่อของท่านในโลกมนุษย์ท่านใช้ชื่อใหม่ว่าบลูสตาร์หรือดาวสีน้ำเงินชื่อนี้ก็เนื่องมาจากเครื่องประดับของท่านชิ้นหนึ่งเป็นรูปดาวสีน้ำเงินซึ่งเป็นอั ญ, ญมณีที่มีค่าอย่างยิ่งทาเป็นรูปดาวสุกปลัง อัญมณีดังกล่าวนี้มีค่ามากกว่าอัญมณีใดๆในโลกมนุษย์มากเราจะขอร้องให้ท่านเอาออกให้เธอดูเวลาท่านมาถึงแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ประดับเพชรเม็ดนี้อยู่เป็นประจำหรอกหรือครับไม่เสมอไปหรอกในภูมินี้คือฉันหมายความว่าเราไม่ได้เห็นของท่านเสมอไปในขณะที่ข้าพเจ้าได้ลุกไปนั่งที่ใกล้หน้าตา่าง เพื่อจะได้แลเห็นผู้มาเยี่ยมได้โดยถนัดโรเยอร์เข้าใจความประสงค์ของข้าพเจ้าดีแต่เขาอดสงสัยไม่ได้เขาจึงถามขึ้นว่าบุคคลผู้ที่จะมาเยี่ยมกันในที่นี้ต้องทำแบบนี้เสมอหรือครับคือพมหมายความว่าเมื่อท่านสามารถจันร์กให้ตนเองปรากฏอยู่เมื่อใดก็ได้เช่นนั้นแล้วเหตุใดจึงต้องใช้วิธีเดินอ้อมมาให้ช้าไปเปล่า โดยปกติก็เป็นเช่นนั้นแหละโรเยอร์ Roger. เวลาเราจะไปเยี่ยมใครเราก็มักจะเดินไปแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวดอกมันเป็นเรื่องของรสนิยมซะมากกว่าโดยมากถ้าเป็นเรื่องด่วนแล้วก็ใช้วิธีอธิษฐานจิตพรินึกให้ไปปรากฏตัวในที่ที่ต้องการทันทีแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่รีบร้อนแล้วก็ใช้เดินไปด้วยสองขาเช่นนั้นแหละ และถ้าจำเป็นบางทีเราก็ค้อประตูขออนุญาตเสียก่อนก็ได้แต่ความจริงฉันยังไม่เคยทำเช่นนี้ดอกนะเรื่องเช่นนี้เธอไม่ต้องวิตกกังวลดอกเพราะอยู่ไปอยู่ไปเธอก็จะรู้จักได้เองโดยสัญชาตญาณว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่หมายความถึงระหว่างเราดอกนะแต่ถ้าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ล้วก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่นในตอนที่เราไปรับเธอนั้นเราก็เข้าไปทันทีโดยเร็วและโดยไม่ต้องคอบประตูอีกด้วยถ้าสมมติว่าเราคอบประตูและสมมติว่าเขาได้ยินและเห็นเราด้วยน่ากลัวจะเกิดโกลาหลกันใหญ่ทีเดียวอ๋อแขกของเรามาแล้วแต่ไม่ได้มาคนเดียวหรอกมีผู้ร่วมทางมาด้วยอีกหนึ่งคนใครหนอที่มาด้วย รูท พ, พึมพามด้วยความสงสัยและลุกไปดูที่หน้าตา่างฟิลลิสนั่นเองแหละรูทอุทานด้วยความดีใจรูทและฟิลลิสเป็นเพื่อนเก่ากันมาข้าพเจ้าอธิบายให้โรเยอร์ฟังไงมองซินเยอเรากำลังจะไปทำธุระที่โลกมนุษย์สักหน่อยก็พอดีฟิลลิสเสนอแนะว่าควรจะแวะเยี่ยมเธอสักประเดี๋ยว เธอได้รับทราบข่าวการส่งข่าวของฉันแล้วไม่ใช่หรือได้รับแล้วครับตอนนั้นผมกล็ลองพาโรเยอร์ไปเยี่ยมฟลานส์และปีเตอร์อ้อดีทีเดียวไปหาคนทั้งสองนี้ได้ก็เป็นการดีท่านพอจะมีเวลาว่างบ้างไหมครับผมอยากให้ได้พบกับโรเยอร์สักหน่อยผมกำลังเล่าเรื่องของท่านให้เขาฟังหวังว่า คุณคงยังไม่ได้บอกความลับของผมให้เขาฟังดอกนะบลูสตาร์พูดพร้อมกับฮัวร์หือหือมาเถอะเข้ามารู้จักโรเยอร์กันสักหน่อยรูดกล่าวชวนฟิลลิสเขาเป็นเด็กดีมากทีเดียวตอนนี้เรากลังพาเขาชมภูมิประเทศอยู่สตรีทั้งสองคือรูดและฟิลลิสมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดฟิลลิสมีผมแดงส่วนรูดมีผมสีทอง ข้าพเจ้าพาอาคันตุ ก, กะของเราทั้งสองเข้าไปในห้องและแนะนําให้โรเยอร์รู้จักไงหลานชายบลูสตาร์เอ่ยทักดูท่าทางสบายดีนี่ครับโรเยอร์กล่าวตอพร้อมกับยิ้มเรียกฉันว่าบลูสตาร์ก็แล้วกันทุกๆกคนเขาก็เรียกฉันดังนี้ทั้งนั้นแหละและอันที่จริงก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นชื่อหนึ่งในหลายชื่อของฉันในโลกมนุษย์ คนที่มีชื่อหลายชื่อมักจะถูกสงสัยว่าเป็นคนไม่ดีแต่ที่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นดอกชื่อเดิมของฉันในโลกมนุษย์ได้ทำให้เกิดความยุ่งยากกันมากแต่ฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันมันเป็นเรื่องของคนที่เอาชื่อของฉันไปหากินจนพร่ำเพื่อไปหมดบลูสตากล่าวพลางยิ้มท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีเสียงกังวานน่าฟัง พูดจาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งดูรูปร่างลักษณะคล้ายกับจะเป็นหนุ่มก็จริงแต่ฟังดูเสียงแล้วจะรู้สึกว่าท่านมีอายุในโลกทิพนี้มาแล้วหลายร้อยปีทีเดียวเรื่องเช่นนั้นพอจะนุ่มานได้คร่าวๆสำหรับผู้ที่ได้เคยหัดสังเกตนามเสียงมาบ้างแล้วทั้งนี้เพราะการที่จะกะอายุของบุคคลจากรูปร่างและดวงหน้านั้นเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว ท่านบลูสตาร์เข้ามาเจ้ากล่าวผมได้อธิบายให้โรเยอร์ฟังถึงความเป็นมาของชื่อของท่านแล้วเขาอยากจะได้เห็นต้นเหตุของชื่อนี้ด้วยตาของตนเองก็ได้หลานชายบลูสตาร์กล่าวแล้วก็เปิดเสื้อคลุมที่สวมอยู่ออกเผยให้เห็นดาวสีน้าเงินอันสุบลังซึ่งฝังอยู่ที่เสื้อชั้นในเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้โรเยอร์จะได้เห็นถนัด เธอเคยเห็นอะไรในโลกมนุษย์ที่เหมือนเช่นนี้ไหมไม่เคยเลยครับอัญมณีที่นี่มีลักษณะซึ่งต่างกับอัญมณีในโลกมนุษย์อยู่อย่างหนึ่งที่เธอควรรู้ไวคืออัญมณีที่นี่ไม่ต้องการแสงสว่างช่วยในความเป็นประกายเลยเพราะมันมีประกายสุกสว่างอยู่ในตัวเองแล้วโดยสมบูรณ์ในโลกมนุษย์ อัญมณีจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าอยู่ในที่มืดเพราะมันต้องอาศัยแสงสว่างช่วยในการสะท้อนให้เกิดประกายแสงเช่นนี้เรียกว่าแสงตายส่วนแสงของอัญมณีที่นี่เกิดจากตัวของมันเองเรียกว่าแสงที่มีชีวิตหรือ living light ในโลกทิพย์ยังมีอัญมณีที่มหศัศจรรย์อีกมากแล้วเธอจะได้เห็นเองในภายหลัง อย่างไรก็ตามขอบอกให้ทราบไว้ด้วยว่าอัญมณีเหล่านี้เราจะหาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้เลยผมเข้าใจครับท่านมองซินเยอร์และคุณรูทได้บอกผมแล้วถูกละโรเยอร์ที่นี่ไม่มีการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่หรือได้มาแล้วนั้นมีคุณความดีที่สมควรเป็นรากฐานอยู่ทั้งสิน้นเรื่องนี้ ทำให้เราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดผู้ใดที่ทำความดีถึงขั้นสมควรจะได้ก็ต้องได้รับเสมอกันดังเช่นดาวสีน้ำเงินดวงนี้เป็นต้นท่านมองสินเยอได้บอกเธอในเรื่องนี้แล้วหรื อ, อยังยังครับบลูสไตล์ข้าพเจ้าตอบแทนโรเยอร์เพราะเรายังไม่มีเรื่องปรารพมาถึงเรื่องนี้เลยเหตุผลที่ฉันถามก็คือว่า เราไม่ต้องการจะบอกใครๆในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วอันที่จริงก็ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรนักนอกจากความสวยงามและความมีค่าของอั ญ, ญมณีนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องประกอบชีวิตของเราและเป็นรางวัลส่วนตัวสำหรับความดีที่ได้กระทําไปนั่นเองคงจะคล้ายๆกับเหรียญตราในโลกมนุษย์ใช่ไหมครับ ก็ไม่เชิงเช่นนั้นทีเดียวเพราะอันญมณี ด, ดังกล่าวนี้ไม่มีการจํากัดตระกูลโดยเฉพาะใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนกันหมดและเราก็ไม่มีตําแหน่งหรือยศศักดิ์เขียนต่อท้ายชื่อเพื่อให้ใครๆรู้ว่าเราได้รับยศเช่นนั้นเช่นนั้นและเราก็ไม่ต้องการอวดใครๆอีกด้วยอันที่จริงฟลานซ์และปีเตอร์ก็มีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ให้เธอดู เพราะเธอไม่ได้ขอเข้าดูบุคคลอื่นๆอีกหลายคนซึ่งเป็นนักประพันธ์ดนตรีก็ได้รับเหมือนกันเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งคุณความดีที่เขาได้ประพันธ์เพลงเพื่อความรื่นรมของชาวโลกทิพย์เอแต่ผมรู้สึกว่าจะพูดมากไปสักหน่อยแล้วใช่ไหมท่านมองซินเยอถึงมากก็ไม่เป็นไรดอกครับข้าพเจ้าตอบเพราะเป็นเรื่องของความจริง ไม่เหมือนผมเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ผมพูดมากเหลือเกินและก็ผิดมากเสีด้วยหน้าขายหน้าเต็มทีไม่เป็นไรหรอกท่านมองซินเยอเรื่องมันแล้วไปแล้วเวลาที่ผมไปโลกมนุษย์ในระยะนี้ก็รู้สึกว่าพูดมากอยู่เหมือนกันแต่ในโลกทริปนี้แม้ว่าเราจะยิ่งแก่ยิ่งพูดมากก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนักสําหรับโรเยอร์ ฉันคิดว่าในตอนนี้เธอคงยังไม่มีโอกาสพูดมากนักหรอกจริงไหมจริงครับความมหัศจรรย์ต่างๆที่ผมได้พบได้เห็นทำให้ผมพูดไม่ออกเสียส่วนมากผมเลยใช้แต่ตาดูหูฟังไปพลางๆก่อนก็ดีแล้วน่าสะดวกอยู่อย่างหนึ่งที่ในโลกมนุษย์บางคนชอบพูดมากในเมื่อถึงคราวที่ควรจะนิ่ง แต่กลับนิ่งในเมื่อถึงค่าวที่ควรจะพูดให้มากๆนั่นได้แก่ตัวผมเองครับบลูสตาร์ข้าพเจ้ากล่าวผมเคยทำผิดมาแล้วในทั้งสองกรณีจริงหรือท่านมองซินเยอร์บลูสตาร์กล่าวผมคิดว่าน่าจะเป็นผมเองสัมมากกว่าที่ทำผิดเช่นนั้นแต่เอผมเห็นจะต้องไปเสียทีจวนจะได้เวลาแล้วเธอประหลาดใจไหมโรเยอร์ ในเมื่อฉันพูดว่าได้เวลาแล้วถ้า ท, ทั้งที่ในโลกทิพย์นี้เราไม่มีเวลาเลยอันที่จริงในเรื่องนี้ฉันหมายถึงเวลาในโลกมนุษย์นั่นเองท่านมองซินเยอร์ก็เคยไปกับฉัน บ, บ่อยๆเหมือนกันฉันกับฟิลิสจะไปยังโลกมนุษย์เพื่อเจรจาให้กำลังใจแก่พวกมนุษย์สักหน่อยจริงๆนะ เวลานี้พวกมนุษย์ต้องการปลุก ป, ปลอบให้กำลังใจมากเหลือเกินและถ้าเขาจะหันมาขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนําจากเราเราก็ยินดีจะให้เป็นอย่างยิ่งคิดถึงโลกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับดินแดนของเราแล้วรู้สึกสังเวชใจเหลือเกินวันหนึ่งเราจะพาเธอไปเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงในโลกมนุษย์ของเราบ้างเฟลิสกล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างน่ารัก เธอยินดีจะไปกับเราไหมโรเยอร์ผมเกรงว่าผมยังไม่ค่อยจะมีความสามารถในเรื่องนี้พอดอกครับโรเยอร์ตอบอย่างระมัดระวังไม่ต้องวิตกดอกเธอในข้อนั้นเพราะไม่มีใครสามารถจะรู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เองโดยไม่ต้องเรียนเสก่อนเธอจะไม่ต้องไปคนเดียวดอกรู้ไหมพวกเรามีอีกมาก เราจะไปกันเป็นพวกเป็นสังคมเลยทีเดียวรู้สึกว่าฟิลลิสออกจกแก่สังคมอยู่สักหน่อยบลูสตาร์พูดพร้อมกับหัวเราะจริงๆนะฟรานซ์ France กับปีเตอร์และคนอื่นๆอีกก็เคยไปกับเราเรเดียนทวิงและคนอื่นๆอีกด้วยและก็บลูสตาร์คนเก่าคนแก่อีกด้วยนะบลูสตาร์พูดแถมท้ายให้กับตนเองอ้าวอย่าพูดว่าแก่สิคะ ฟิลลิสขัดก็อาจจะไม่แก่เท่าใดาดอกฟิลลิสสำหรับตัวฉันเองแต่พอเวลาฉันไปเข้าพวกกับท่านทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าคงจะไม่หนุ่มเท่าใดานักแต่ผมอยากให้ท่านรู้สึกว่าเป็นหนุ่มด้วยครับโรเยอร์กล่าวอ๋อนั่นไป็อีกเรื่องหนึ่งนะเธอเอาละผมเห็นจะต้องไปเสีที ว่างๆได้มาสนทนากับพวกเธอก็รู้สึกสนุกสนานดีแต่ชาวโลกมนุษย์เ้าอาจไม่เคยชอบการสนทนาของพวกเรานักก็ได้เพราะดูเหมือนเขาจะต้องการให้เราสนทนากันด้วยเรื่องหนักๆยากๆซึ่งพวกเราที่นี่ไม่ค่อยมีใครชอบทำกันนักดอกเพราะเราไม่ต้องการถกเถียงกันถึงเรื่องที่หาคาตอบและหาทางอธิบายไม่ได้ การสนทนาการด้วยเรื่องสูงสูงยากยากนั้นมันก็อาจจะเป็นการโก้เกยดีหลอกแต่มันก็จืดชืดเต็มทีพูดเรื่องเบาเบาสนุกสนานระหว่างเพื่อนฝูงกันเองจะดีกว่าฉันเองก็ชอบเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้จิตใจร่าเริงดีว่าแล้วท่านทั้งสองก็โบกมือลาพวกเราออกเดินทางมุ่งไปสู่โลกมนุษย์ต่อไป